วันอาทิตย์ที่17มิถุนายนพศ2539เป็นการบรรยายพระสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุดเทศโชธิศ ท, ทธาที่ชนที่เคารพการบรรยายพระสูตรวันนี้เป็นสูตรในวัดที่เจ็ดลำดับสูตรที่สามมีชื่อ สูตรเป็นภาษาบาลีว่าปุตตะมังสะกจะแปลว่าเรื่องเนื้อของลูกหรือเนื้อของบุตรเนื้อความทั้งหมดของสูตรนี้กล่าวถึงเรื่องอาหารสี่พระผู้มีพระาคได้ตรัสในเนื้อความเบื้องต้นที่พระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีแก่พิสูจน์ทั้งหลายว่าอาหารสี่อย่างเพื่อความดํารงอยู่ของสัตว์โลก ที่เกิดมาแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์แก่เราสัตว์ผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารสี่อย่างนั้นคือกววริการาหารคืออาหารคำข้าวหยาบบ้างละเอียดบ้างผัสสาหารอาหารคือสัมผัสมโนยะมโนสันเจตนาหารอาหารคือความจงใจ วิญญาณอาหารอาหารคือจิตวิบากหรือวิบากจิตอาหารสี่อย่างนี้พระผู้มีพระาระดัสว่าเพื่อความดารงอยู่แห่งสัตว์โลกที่เกิดแล้วหรือเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกผู้สแสวงหาที่เกิดอาหารที่ท่านตรัสในทางพุทธพจน์นั้นทรงตรัสในน้าหนักของคำพูดหมายเอาเหตุ ปัจใจของชีวิตครับชีวิตของเราเนี่ยก็อยู่ด้วยเหตุด้วยปัจใจเราพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าอาหารในภาษาไทยนั้นเมื่อพูดถึงอาหารเราจะนึกไปถึงโภชนาโภชนานั้นความจริงก็คือกวาดินกาอาหารเป็นอาหารอย่างหนึ่งเป็นเหตุปัจใจอย่างหนึ่งที่อุปถัมภ์ค้ำชูชีวิตอาหารเนี่ยตามศัพท์จะแปลว่าเครื่องอด น, นุน หรือสิ่งอดหนุนเราก็จะเห็นว่าชีวิตของสัตว์เนี่ยตั้งสาที่เกิดแล้วหรือว่าสแสวงหาการเกิดคือยังไม่ถึงที่เกิดในฐานะที่สมบูรณ์ผมเคยอธิบายตัวนี้แล้ววันนี้ไม่พูดอีกนะครับจะสัตว์นั้นจะประกอบด้วยร่างกายและจิตใจสำหรับร่างกายนั้นอาศัยอาหาร คือพ่ชนะเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งแต่หากว่าไม่มีอาหารอย่างนี้เส็แล้วสัตว์ก็อยู่ไม่ได้อาหารที่ท่านกล่าวถึงนี้ทั้งของดื่มทั้งของกบเกี้ยวเรียกว่าเป็นกวะริงการอาหารทั้งสิ้นท่านว่ามีหยาบมีละเอียดหยาบเนี่ยหมายถึงอาหารของมนุษย์เรียกว่าเป็นอาหารหยาบอาหารของเทวดาเรียกว่าละเอียดอย่างนี้อันหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งท่านเปรียบเทียบกันขึ้นไปโดยลำดับในอาหารของเราเองอาหารบางมื้ออาหารบางช่วงของชีวิตก็เป็นอาหารหยาบบางช่วงก็เป็นอาหารละเอียดจอพูดไงว่าอาหารดีประนีดเรียกว่าเป็นอาหารละเอียดกว่าอาหารหยาบเทียบกันเป็นจั้นๆอย่างนี้อาหารของสัตว์นรกเป็นอาหารหยาบกว่าอาหารของ ศาสเจราชานอันนี้ก็โดยการเปรียบเทียบสำหรับความสาคัญของกวาลีกาลอาหานี่เกอบจะไม่ต้องพูดกันเลยเพราะว่าเรารู้ดีเราต้องเสียเวลาเสียอะไรต่ออะไรหลายอย่างเพื่ออาหารอย่างนี้มาตลอดชีวิตสำหรับอาหารที่สองที่เรียกว่าผัดสะนั้นท่านเท่งมือไปที่การรับรู้การรับรู้เนี่ยมีผัดสะเป็น เจ้าเรือนในทางเหตุนะฮในทางเหตุเพราะว่าภัสสนั้นเป็นประตูของการรับรู้ด่านแรกสุดภัสส์ที่ชื่อว่าเป็นอาหารเพราะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาคือรสของการรับรู้รสชาติของการรับรู้นั้นมีเวทนาเป็นหัวหน้าจึงเป็นอาหารคือเป็นเหตุให้เกิดเวทนาขออย่าได้เอาไปนึก ว่าภาัสสะหมายถึงอาหารการกินหรือโดยเปรียบเทียบกับอาหารการกินว่าเรามีภัสสะเป็นของที่ทําให้เจริญเติบโตหรือเป็นอาหารทางใจไม่ได้หมายความอย่างนั้นในทางพระนะฮะท่านเรียกว่าอาหารในคํากลางที่ผมกลาวเมื่อกี้นี้ว่าหมายถึงเหตุปัจจัยสําคัญของชีวิ ต, ว ต, วตเท่านั้นเองอาหารที่กินเป็นคำคำก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยสําคัญของชีวิตในส่วนร่างกายและการรับรู้ พัทสะนั้นเป็นเหตุปัจจัยสำคัญในด้านนี้ท่านจึงยกเอาพัท ส, สะว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อชีวิตเพราะว่าชีวิตของเรานี้จะต้องมีการรับรู้โดยมีพัทสะเป็นตัวหลักตำลับมโนสัญญเจตนาหารข้อนี้ท่านหมายถึงกรรมเจตนาเป็นกรรมเจตนาเรียกว่าเจตนาบ้างสัญญาเจตนาบ้างเรียกว่ากรรมบ้างเรียกว่ามโนสั ญ, ญเจตนาบ้าง เป็นชื่อของกรรมซึ่งก็หมายความว่าในทางลึกลงไปเนี่ยกรรมเป็นปัจจัยสาคัญของชีวิตของเราทุกคนกรรมก็จึงเป็นอาหารเป็นปัจจัยเพื่อความดำรงอยู่ของชีวิตเราจริงอย่างที่เข้าใจกันอยู่ดีแล้วอย่างที่ศีลเราวิญญาณอาหารตรงนี้ท่านตรากล่าวหมายถึงวิบาก วิบากเนี่ยสิ่งที่นับว่าเป็นหลักของวิบากในชีวิตของเราแต่ละภพแต่ละชาตินั้นคือวิบากจิตได้แก่ปฏิสนธิจิตปฏิสนธิจิตของเราเนี่ยมันเป็นตัวหลักอย่างสาคัญอย่างที่เคยพูดมามากแล้วเช่นเดียวกันก็ขอให้หมายเอาเป็นข้อสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าชีวิตของเรานั้น ได้รับการอุปนุนจากพลังปัจจัยทั้งหยาบและทั้งตื่นทั้งลึกแล ะ, ะทั้งตื่นเนี่ยนะหยาบละเอียดทางร่างกายมีอาหารเป็นปัจจัยสำคัญอันนี้เห็นจริงสำหรับทุกคนแล้วก็ผัสสะเป็นพลังปัจจัยที่สำคัญต่อการรับรู้ในชีวิตของเราแล้วก็ผลที่ทามาที่ได้จากการรับรู้คือเวทนาได้แก่รสของการรับรู้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดรถทางการรับรู้มโนสัญญเจตนานั้นเป็นเรื่องของกรรมเวรกรรมกุศลกรรมที่เราได้ทํากันเนี่ยครับเป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตกรรมที่เราได้ทําแล้วกับการอดํารงอยู่ความเป็นไปของดวงจิตาชีวิตเราวิญญาณอาหารคือวิบากจิตเพ่งไปที่ปฏิสนธิจิตเป็นหลักสําคัญคุณภาพชีวิตอะไรต่ออะไรเนี่ยก็อยู่ที่วิบากจิต เป็นตัวยืนคุณสมบัติของเราไว้อันนี้แหละครับว่าถ้าเราเองขาดปัดจจัยเหล่านี้แต่ละตัวแต่ละตัวออกไปเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้จริงๆอาหารอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ขาดอาหารอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ขาดผัสสะชีวิตก็ไม่มีรถแล้วก็กระบวนการอื่นใดที่จะพึงสืบต่อไปจากเวทนา ทำบุญทำกุศลกวญและกำลังใจนชีวิตมีไม่ได้แล้วก็ขาดกรรมที่เราได้ทำมาแต่อดีตรหรือทำปัจจุบันเพื่อวิบากต่อไปอันนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันทีถ้าจะพูดถึงว่าถ้าจะเลือกเอาว่าในสีอย่างนี้อะไรอาจมีอาจไม่ต้องมีนะฮะ ถ้าเป็นชีวิตเราเนี่ยไม่ได้ต้องมีหมดแต่สัตว์บางภูมินั้นอาจจะไม่ได้กินอาหารเป็นกำค ำ, คำอย่างเช่นอนลูบะพรมนี่นะเพราะไม่มีร่างกายข้อนี้ก็ยกเว้นไปหรือผัสสะไม่มีในหมู่ของอสังยีสัตว์ก็ยกเว้นไปคือโดยธรรมดาเนี่ยสัตว์ในภูมิสูงสัตว์เหล่าประนิด เหตุปัจจัยน้อยลงเหตุปัจจัยเนี่ยน้อยลงเหตุปัจจัยข้างนอกน้อยลงเหตุปัจจัยภายในยก็น้อยลงแต่ก็ยังมีเหตุปัจจัยถ้าเข้านิพพานก็เป็นอสังขตาไม่ต้องมีเหตุปัจจัยก็อยู่ในนิพพานได้เราเรียกว่าอยู่ไปงั้นไหมยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ไม่ใช่เป็นของโหมกับสำหรับกรรมเนี่ย สัตว์ทุกภูมิต้องมีพลังกรรมเป็นปัจจัยทั้งสิ้นสำหรับวิบากก็เช่นเดียวกันต้องมีวิบากในสัตว์ทุกหมู่เหล่าสำหรับถ้าเป็นพรมลูกฟักหรือสัน ญ, ญีพรมนั้นอาจจะไม่มีวิบากวิญญาณได้แต่มีวิบากทางรูปเป็นกรรมมันจะรูปได้ ก็เอามาแทนกันครับถ้าไม่มีจิตก็ยกให้กรร ม, มชรูปเป็นประธานแทนนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสพเพสัตตาอาหารรติติโกสัตว์ทั้งหลายดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารทรงหมายถึงอาหารสี่อย่างนี้อที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสูตรนี้นะมีที่มาปต่ไม่ได้มีคนถาม พระพุทธเจ้าตรัสเองเหตุที่เกิดสูตรนี้ขึ้นนั้นเนื่องจากว่าตอนนั้นพระพุทธศาสนานั้นเฟื่องฟูมากพิสูจน์ทั้งหลายนั้นได้รับการบำบ u l o ด้วยลาภสการะอย่างยอดเยี่ยมถึงกับพระภูมิยอพาได้ตรัสว่าในบรรดาหมู่คณะละลัตทีทั้งหลายในครั้งนั้นไม่มีหมู่คณะใดที่จะอุดมด้วยลาภสการะเท่ากับ หมูสงเลยนี่เป็นข้อแท้จริงในทางวิบากที่ปรากฏอย่างนี้แต่ที่ทรงตรัสอย่างนี้ไม่ใช่ตรัสด้วยความลำพองและเพราะกลัวว่าพิสูจน์หลายจะลำพองนั่นเองจึงได้ทรงตรัสสูตรนี้เพื่อให้เห็นลาภส ก, กาละเป็นของที่ควรพิจารณาเสดให้ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาภส ก, กาละเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่ มีผลต่อการย่ำยีทั้งโดยตรงโดยอ้อมแก่พระภิกษุมากที่สุดในนี้ท่านบอกว่าอ า, อาหารนั้นเ่อของกินเดี๋ยวเราจะมาคุยกันจะคุยได้แค่ไหนสำหรัทบทรังนี้ก็กแล้วแต่อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับพระภิกษุท่านจึงตรัด ถึงภัยของกาวะลิงกาลาหานเป็นพุทธประสงค์สาคัญในสูตรนี้อาหารที่เหลือนั้นไม่ได้ถือเอาเป็นข้อสาคัญในสูตรนี้เราจะพบเนื้อความที่ทันตรัตในสูตรนี้ว่ากะกะวะลิงการาหานจะพึงเห็นได้อย่างไรคาว่าเห็นเนี่ยหมายถึงการกาหนดรู้การอย่างเห็นการทรมณติกาการใส่ใจด้วยดีอย่างไรนั่นเอง พิสู่ทั้งหลายเหมือนอย่างว่าภรรยาสามีสองคนถือเอาสเบียงเดินทางเล็กน้อยแล้วออกเดินทางสู่ทางกันดานเขาทั้งสองมีบุตรน้อยน้อยน่ารักพอใจอยู่คนหนึ่งเมื่อขณะที่คนทั้งสองกำลังเดินไปในทางกันดานสเบียงเดินทางที่มีอยู่เล็กน้อยนั้นได้หมดสิ้นไปแต่ทางกันดานนั้นยังเหลืออยู่ เขาทั้งสองอยังข้ามพ้นไม่ได้ เ, เรื่องนี้เนะี่ยท่านบอกเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องสมมุติเป็นชาดกที่เกิดขึ้นมาจริงๆพระเจ้าทรงกําหนดรู้ก็ทรงยกขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์เปรียบเทียบให้เกิดความสุขสะทรส้อนสะเทือนว่ า, าสามีภรรยาคนนี้หนีภัยการเมืองแล้วก็เดินทางไปในทางกันดารคําว่ากันดาร น, นี่คือกันดารอาหารกันดาร น, น้ํากันดาร เพราะโจรชุกก็เรียกกันดารนะฮะกันดารเพราะสัตว์ร้ายชุกชุมก็เรียกกันดารกันดารเพราะพูดผีปีศาจชุกชุมก็เรียกกันดารเป็นกันดารห้าอย่างจําไว้เงี้แล้วกันมันเหมือนกันดารเพราะไม่มีไม่มีอาหารไม่มีน้ำเดิมกับกันดารเพราะมีสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือเพราะมีโจรชุกชุมเพราะมีสัตว์ร้ายชุกชุมเพราะมีพูดผีปีศาจชุกชุมมีเป็นทางกันดารในกรณีของ ความกันดานที่สามีคู่นี้และลูกน้อยต้องเผชิญนั้นเป็นทางกันดานที่กันดานอาหารทีท่ีเรียกว่าทุพพิกกกันดานไม่ได้กันดานน้ําน้ํามีแต่อาหารไม่มีและโดยระยะทางนี้ท่านว่าเป็นระยะทางหลายโยนดไม่ใช่จะพ้นได้โดยเวลาสองวันสาวันเพราะนั้นก็เลยเกิดเรื่องใหญ่โตขึ้น ถึงขนาดต้องกินลูกของตัวเองดังที่ท่านได้เล่าต่อไปลูกระนารักทุกคนนั้นไม่ได้มีการเลเกลียดกันและกันเลยก็ว่าครั้งนั้นอตรงนี้ยังไม่จบว่ายังข้ามไม่ได้ครั้งนั้นเขาทั้งสองคิดตกลงกันอย่างนี้ว่าสเสบียงเดินทางของเราทั้งสองอันใดแลมีอยู่เล็กน้อยสเสบียงเดินทางอันนั้นได้หมดสิ้นไปแล้ว แต่ทางกันดานนี้ยังเหลืออยู่เรายังข้ามพ้นไปไม่ได้อยากละนั้นเลยเราทั้งสองมาช่วยกันฆ่าบุตรน้อยๆคนเดียวผู้น่ารักน่าพอใจคนนี้เสียทำให้เป็นเนื้อเข็มและเนื้อย่างเมื่อได้บริโภคเนื้อบุตรจะได้พากันเดินข้ามพ้นทางกันดานที่ยังเหลืออยู่นั้น ถ้าไม่เช่นนั้นเราทั้งสามก็ต้องพากันพินาศหมดนะแน่ก็คือว่าต้องให้คนหนึ่งตายทาไมงั้นก็ตายกันหมดเพราะอดไอ้ตรงนี้เนะ่ะท่านไม่ได้มาเขียนเพื่อให้วิจารณ์ว่าแหมทําไมพ่อแม่ใหญ่ลายอยาไมไม่เสียสลากเพื่อลูกพอเรื่องจริงๆเนี่ยก็ก็พ่อแม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียสลากเพื่อลูกก็ก็คิดว่าเออทอํายังไงเนี่ยก็คิดแล้วนะคิดตรองแล้วว่าเออถ้าสา ม, มีตายเหลือแต่ลูกกับภระระยาก็เอาตัวไปหรอดอิ่มก จะให้ภรรยาตายก็คงตกลงกันลาบากก็เลยต้องฆ่าลูกวางงั้นทีนี้พอจะฆ่าจริงๆเนี่ยเกิดมีปัญหาขึ้นไอความรักลูกเนี่ยพอถึงเวลาจะลงมือหรือตัดสินใจตัดินแล้วแต่ไม่สามารถลงมือก็ได้ลองอ่านในนี้ต่อไปอหน่อยว่าแล้วเขาฆ่าด้วยวิธีไหนเนี่ยครั้งนั้นภรรยาสามีทั้งสามคนนั้นก็ฆ่าบุตรน้อยคนเดียวผู้นารักน่าพอใจเสียทําเป็นเนื้อเค็มและเนื้อย่าง เมื่อบริโภคเนื้อบุตรเสร็จก็พากันเดินทางข้ามกันดารที่ยังเหลืออยู่เขาทั้งสองคนรับประทานเนื้อบุตรกลางคอนอกพรางลําพันธ์ว่าลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียลูกชายน้อยๆคนเดียวของฉันไปไหนเสียดังนี้นี่คือเสียอกเสียใจต ล, ลอดก็อเอาแรงเอาแรงที่กินเนื้อลู ก, กมาร้องไห้ําพันธที่ลูก นี่ท่านก็เล่าเพิ่มว่าวิธีฆ่าเนี่ยนะความจริงไม่ได้ฆ่าพอตกลงก็เอาละค่าแม่ฆ่าไม่ลงก็บอกไอ้หนุ่มไปหาพ่อไม่ได้บอกว่าไม่ให้พ่อฆ่านะพอลูกไปหาพ่อพ่อก็มองหน้าลูกแล้วฆ่าไม่ลงโอ้โเราเนี่ยนะดูสิเนี่ยเลี้ยงเขากว่าจะโตมาขนาด น, นี้ต้องทํางานหนามเลยนะเราจะฆ่าลงได้ไงก็ น, นึกว่าให้แม่ผฆ่าดีกว่า ก็บอกไ อ, อ ไ, อไอ้หนูก็ไปหาแม่อีกไอ้หนูก็ไปหาแม่ไอ้แม่ก็มองก็รัวพ่อส่งมาจะให้ตัวฆ่าฆ่าใน่ลงด้วยเหตุผลลำลองเดียวกันใครจะฆ่าเลือดในออกของตัวเองได้ไงว่าเองไปหาพ่อเองคือไ อ, ไอ้ตอนพอตโตลงจะฆ่าในะแยกกันอยู่ไอ้คนหนึ่งก็ไม่อยากจะเห็นจะพ้นไม่ไหวเดี๋ยไปเผลอก้าคลนกล้ า, กลกาไปก็แยกกันอยู่ท่า น, นพ้นหูคนตาสิก็เลยบอกให้เด็กไปเด็กมา เด็กเลยตายเลยตั้งที่ไม่ได้ตักให่ตายมันคงหิวกงโหยอะไรขึ้นด้วยเลยตายเลยก็เสียใจว่าตายลูกตายเสียใจแต่เอาละเมื่อตายแล้วก็เอาลูกมาแร่เนื้อทําเนื้อตากแห้งทั้งเกอมันคงยังไม่แห้งแต่ดีนะเนี่ยตะลาวันโล่งๆก็กินด้วยอย่างกิน ทีนี้เราลองคิดดู ว, ว่าคนกินเนื้อลูกของตัวเองถ้าไม่ใช่พ่อแม่ยางสมัยนี้นะสมัยที่ผมไม่ได้หมายถึงสมัยนี้ทั่วๆไปคือไอ้พวกไอ้ที่ไปรีดไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างนั้นมันไม่กินหรอกคนที่มีลูกเป็นที่รักเป็นปกติแล้วก็ต้องมาตายแล้วต้องกินเนี่ยถ้าไม่จำเป็นกินไม่ลงแน่นอนเลยกินเพราะจำเป็นเพราะนั้นการกินเนื้อของลูกตัวเองของพ่อแม่เช่นนี้นั่นนะ ท่านพระพุทธเจ้าจึงพยายามจะตรัสให้ภิกษุทั้งหลายเห็นนี่ท่านไป อ, อธิบายไในที่อื่นว่าคนที่กินเนื้อลูกของตัวเองเนี่ยเป็นคติว่าพระจะฉันของของชาวบ้านอาหารของโยมต้องฉันด้วยสัญญาของผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่คูนี้คืออย่างไรนี่จะเป็นข้อก้า9ข้อสิบข้ อ, อจดเลยนะหนึ่ง ไม่ยินดีติดใจแต่กินด้วยใจเป็นกลางตรงนี้ท่านหมายความว่าถ้าหากว่าเกิดความยินดีมันไม่ใช่วิสัยของพ่อแม่จะกินเนื้อลูกตัวเองด้วยความยินดีหรือคนที่ไปหลงดูในที่ที่ไม่มีอาหารกินเนี่ยบางทีต้องกินอะไรที่เป็นของเน่าๆเสียนะอีกอย่างหนึ่งไม่ไม่ถ้ายินยินร้ายนะะมันก็กินไม่ได้เหมือนกันเสียใจใครจะกินลง แต่นี่มันก็เป็นความจำเป็นบังคับว่ายินดีก็ไม่ผิดวิสยัยยินร้ายมันก็ไม่กล้าแต่ยินร้ายเอาลูกของเอาเนื้อลูกตัวเองทิ้งไปเสียหรือกินแม่มันก็ไม่ได้ไม่เป็นประโยชน์จึงต้องทำใจเป็นกลางปลอดจากความยินดีและยินร้ายจึงกินได้ข้อนี้ท่านสอนว่าพิคุเมื่อฉัน ัดของชาวบ้านจะต้องฉันด้วยความรู้สึกใจเป็นกลางมีความหมายอยู่ในใจว่าเรากินเนี่ยเพื่อข้ามพ้นทางกันด่านคือวัตรตารงสามเหมือน<ม>บิดามารดาคู่นี้กินเนื้อของบุตรด้วยเห็นแก่การพ้นภัยจากทางกันด่านเท่านั้น นี่เขาเรียกว่ากินตามเหตุตามผลไม่กินเพื่อเล่นไม่กินเพื่อมเมาไม่กินเพื่อประดัตบตกแต่งอย่างชาวบ้านเขาบริโภคกันสองไม่เจาะจงกินคำว่าไม่เจาะจงกินเนี่ยหมายถึงเวลากินเนี่ยไม่เลือกไอ้ตรงนี้ฟังดูเสียก็ได้ดีก็ได้นะคือถ้าพ่อแม่กินเนื้อตัวเองด้วยใจเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อว่าย่างเสร็จแล้วเนี่ย เราลองนึกคือเวลาเรากินไก่ตัวมึงคนเลือกเอาขกไก่เอาเอาน้องไก่ไอ้เงี้นะเลือกไอ้ น, นี่ไม่กินไอ้ น, นี่ไม่กินแต่ถ้ากินอย่างนี้เนี่ยลองคิดใครอยมาตาั้งมีกระใจเลือกสามีลองนี่เธอเอาเอาตรงนี้ไหมฉั้กินแต่เ อ, เอานีไปหรือเวลาเอาเอาเนื้อที่หนีบไม้ย่างแล้วมาแทะตรงนี้เลือกแทะตรงนี้ไอ้ไอ้ตรงนี้เหนียวไม่กินเลยจะ ก, กินไปตามลําดับ เหมือนคนปฏิบัติกรรมาฐานได้เหมือนปลานท่านจะฉันไปลุยไปข้างหน้าตามลําดับไม่เลือกด้วยกิเลสเหมือนอย่างธรรมดาเลือกเรานึกอเลยดีนะว่าสมมติว่าเรารับประทานอาหารจานหนึ่งแล้วมีมีอะไรปนปๆอะไรอย่างเสร็แล้วเราก็อ่าจย่อสัจจีเพียบขีบเนี่ยเรายังเลือกหรือยังไม่ไมละเออบอกเออนี่เอาอันนี้อันนี้ไม่เอา ไอ้บางคนก็เรื่องน่าเกลียดนะเช่นว่าอาหารทั้งจานเนี่ยไม่ได้นึกถึงคนอื่นเลยเจอ เ, เลือกกินดีๆครับอะไรเงี้ยเราบางคนก็อาจจะเอาคัดผักใ ส, ส่ส่วนที่ไม่ดีไปให้คนอื่นโดยจะเป็นธรรมชาติเลยไม่ได้คิดมากเลยบางคนเป็นอย่างนั้นประท้เนี่ยผมมันคนชอบจับปิดคนก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็เออมันไม่รู้ทําไงได้ล่ะศึกษา <S <S ไม่อยาก ไมอยากคิดแล้วก็ยังอดมองเออมันเป็นอย่างนั้นไรี้เหมือนเด็กวัดข้อนี้ท่านสอนครับว่าให้กินเหมือนพ่อแม่กินลูกกินเนื้อลูกไม่เลือกไม่ใช่ตักร้านะอย่าไปปนอย่าพูดนี้เลยเดี๋ยวจะาหาว่าตะกรา้าไม่เลือกที่รักมักที่ชังกินไปตามลําดับแต่ถ้าเป็นเลือกเพราะจับปายะหรือของควรกินไม่ควรกินในเชิงธรรมเยองวินัยนั่นกเรื่องหนึ่งแต่ในที่หมายถึงไม่เลือกด้วยกิเลส ไม่มีแก่ใจจะมาเลือกและมีความรู้สึกว่าน่าเกลียดมากมีความรู้สึกว่าน่าเกลียดท่านถึงเทียบว่าฉันเหมือนราชสีกินเนื้อสัตว์ราชสีเราก็ไม่รู้นะฮะท่านว่าราชสีเขาจะกินตะลุยกินตะลุยไปด้วยอาการหน้าเรือมใส่สามไม่ กินจนลน้นคอหรืออีกคำนวณใช้ไหมไม่กินตามปรารถนาตามความปรารถนามากกินกินจนล้นคอเลยซึ่งเรื่องนี้จริงเราลองคิดดูถ้าคนที่กินอาหารบูดเนี่ยโดยความจาเป็นเนี่ยมันกินแค่อิ่มจริงๆครับบางทีก่อนอิ่มก็กินไม่ลงต่อไปแล้วคนที่กินเนื้อลูกเหมือนกัน มันไม่มีทางจะกินจนหัวกินแล้วกินอีกด้วยเหตุผลทางความปรารถนาเพื่อจะกินเนี่ยข้อนั้นเป็นไปไม่ได้นี่เป็นข้อที่สามข้อที่สี่ไม่หวงกันกินเออคนไทยเราก็ดีหน่อยคนไทยเราไม่ค่อยหวงกิน ถ, ถ้ากินอย่างอื่นอาจจะหวงกินดีทีกจจ่กินตายจะหวงกันดากินธรรมดาเนี่ยไม่หวง นอกจากไม่หวงแล้วไงยันเคยยอกินยันเคยย อ, ร อ, ยยอรเราเป็นอย่างนี้เพราะว่าไอ้กุศลมีบากเราดีทีนี้ถ้าพูดถึงว่าไอ้ที่มันจะหวงก็คือไอ้หวงชนิดที่เลือกกินแล้วเลือกของือที่หมายใจว่าเป็นของดีไม่งั้นพ่อตาลูกเคยก็แย่งหัวไปช้อนกันไม่ต่ยกันหรอกแย่งพุงตากันน่ะพ่อตาก็เขือนต่อยกันนี่ก็เรียกว่า ห่วงกันในในส่วนที่เลือกแล้วนี่ถ้าคนที่กินเนื้อลูกของตัวเองระหว่างพ่อและแม่เนี่ยแน่นอนเลยชัดเจนนะไม่หวงหรอกเออห่วงเนี่ยหมายความว่านี่เธออย่า ก, กินมากนะเดี๋ยวฉันไม่อิ่มไม่ห่วงอย่างนี้ต่างคนต่างกินอย่างควบคุมตนเองโดยอารมณ์และเหตุผลเดียวกันข้อสี่นะฮะในข้อห้า เดี๋ยวขอย้ำข้อสี่นี้ว่าพูดถึงว่าอย่างการณีพระเนี่ยในเชิงวินัยหรืออะไรเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมให้ห่วงนะแต่บางท่านเนี่ยก็โหใจถึงขนาดว่าได้บิณฑบาตมาตัวเองไม่กินก็ยินดีได้ความดีใจเข้ามาแทนที่เพราะว่าอย่าลืมว่าเรื่องพระเนี่เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องกินเรื่องใหญ่เราลองคิดดูดีมันใหญ่ยังไงเพราะว่าพระเนี่ยได้อาหารแล้วจะมาเก็บไว้กินมือต่อไปก็ไม่ได้ แล้วมื้อต่อไปจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะพระไม่ได้มาอยู่มาปักกรอดอยู่แถวใกล้ๆพัะตะการมาอไแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขาหอ้โหมันเกือบจะเรกวพอเช้าขึ้นมาเนี่ยแทบจะไม่มีหวังเลยนะถ้าเป็นอย่างเราเนี่ยเราก็กลุ่มใจเรื่องนี้แน่ในานายใครที่ไปอยู่บ้านที่มีร้านอาหารน้อยหน่อยเนี่ยยังรู้สึกอึดอัดเลยครับเมื่อก่อนอยู่ที่ก็ย้ายไปที่อื่นอ่ะ มันไม่ไม่มีร้านไอ้มีก็เป็นอาหารค่อนข้างจะไม่ประนีดก็ยิ่งอึดอัดจะรับประทานทีต้องขับรถไปนู่นต่างหมู่บ้านต่างถิ่นไปนู่นใครเคยไปอยู่กับพระกรรมฐ า, านตามป่ า, ต า, ปาตามรู้สึกเลยรู้สึกเข้าใจตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยต้องต้องพึ่งธรรมะพอพึ่งธรรมะแล้วก็มีอยู่มีกินยิ่งไปอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ย เราก็ไม่ค่อยกล้ากันตอนนี้กลัวเสือกลัวอดก็กลัวไม่มีอาหารกินกลัวตัวเองจะถูกกินเป็นอาหารเนี่ยกลัวไปหมดอ่แต่ว่ า, เ, าเราก็ชัดเจนอย่างว่าคนลงมือทำเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ต้องได้กินครับต้องได้กินต้องมีกินแน่นอนเลยมนุษย์ไม่ไสายบาดเทวดาละสายบาดถัดไปคือ ไม่งมงายกินถ่านาจจะเดาความไม่ถูกก็ได้คำว่าไม่งมงายกินเนี่ยหมายความถึงบุคคลที่กินอย่างงมงายที่พูดนงตามที่ท่านี้บายนะเวลารับประทานเนี่ยมีความรู้สึกบางทีก็หลอกตัวเองแบบเอาเอาปลาเค็มมาแขวนแล้วก็กินไปมองไปเรียกว่ากินแบบหลอกตัวเอง หรือเวลาตักอาหารไปเนี่ยนึกว่านี่นะเป็นอาหารคนใส่บาทนี่ลูกท่านหลานเธออไรเงี้ะคือคิดปรุงแต่งเอาความมาตรงนี้คือคิดปรุงแต่งอันนน้นอันนี้เรียกว่ากินอย่างงมงายหรือกินในลักษณะหาค่าของอาหารในเชิงค่าเช่นว่า เอ็นเนื้อบทตรงนี้เนี่เป็นเนื้ออะไรนะเนื้อหมูป่าหนวอะไรคิดไปายามคิดไในทางที่มันสพใจตัวหลอกบ้างจริงบ้างอะไรบ้างไปลักษณะอย่างนั้นท่านกลับถือว่านี่คือการกินอย่างงมงายแต่คนที่กินเนื้อลูกเนี่ยรู้อยู่ว่าเนี่ยเป็นเนื้อของลูกตัวไม่มานั่งคิดหรือคิดไม่ได้แลอวเนี่ยเนื้อหมูเนื้อหมาอะไรเงยไม่ไม่คิด ยังยืนความรู้สึกนั้นไว้อยู่และไม่มาคิดเสกสรรหลอกตัวเองว่าเออเนื้อนี่เป็นอย่งงางโน้นอย่างนี้เพื่อให้อาเดตอร่อ ย, อยนี้นะเพราะความจริงมันก็คือก็คือความจริงปรากฏอยู่นี่คือคําอธิบายคำว่าวกินอย่างงงอให้จหําง่ายๆว่าปรุงแต่งเพื่อสนองกิเลสของตัวแต่ก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยมัน ก, มนก็มันมีพลังมากไอ้เรื่องปรุงแต่งเนี่ยนะฮะสาหรับคัดอย่างของกิเลสเลยไอ้ความคิดปรุงแต่งให้ให้คนเนี่ยเกิดจินตนาการว่าเรา เราจะพาคนไปกินเนื้อสุนัขเนี่ยถ้าสเราเตรียมอธิบายปรุงแต่งอย่างดีนะกินเนื้อนี้ก็ได้ไอ้กีร ย, ย, ยีถ้าผ่านการผถมเล่เราก็อร่อยรับรองอร่อยปรุงแต่งทําให้เกิดมโนภาพแล้วคนก็เอามโนภาพของตัวเนี่ยเข้าไปเสริมในสิ่งนั้นอี่เหลือทุ ก, ท, กทุกทวารเป็นอย่างนี้คนอื่นทําบางตัวเองทําบ้างทําแก่ตัวเองบ้าง เพื่อปรุกความยินดียินร้ายให้แก่ตัวเองข้อหกไม่ตั้งปรารถนากินตรงนี้ท่านหมายถึงกินแล้วเนี่ยอยากได้ยิ่งยิ่งขึ้นตั้งความปรารถนาคาดหวังว่าต้องดียิ่งขึ้นไอ้ตรงนี้น่ากลัวมากที่เรียกว่าได้คื อ, อย่าวสอกหรือได้คือได้คืบแล้วอย่างน้อยก็ครั้งต่อมาให้ได้เต่าคืบเช่นว่าไปในกรณีพระว่า บ, บินธบาก เมื่อวานนี้เขาใส่อาหารอย่างนี้วันนี้คนใส่คนเก่าที่เก่าก็ต้องนึกอ่าอาหารวันนี้เขาจะใส่อะไรนะวันนี้วันสำคัญต้องมีอะไรพิเศษแนะ่อะไรเงี้ยนะตั้งความปรารถนาอย่างนี้นะพระไม่ควรคิดผู้ปฏิบัติรมไม่ควรคิดในเชิงตั้งความปรารถนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ไม่งันก็ไม่รู้จบผมไม่เต็มไม่ถึงจุดความพอใจจุดอิ่มสักทีหนึ่งเลยก็ท่านก็ให้นึกเป็นอย่างพระว่าอาหารที่เราจะได้เนี่ยอาจจะได้ดีหรือไม่ดีเราก็ไม่ยินดียินร้ายนะแม้กระทั่งว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ยินดียินร้ายทําความรู้สึกสลัดเตรียมใจไว้ล่วงหน้าอย่างนี้ นันเวลาไอ้ตัวนี้เป็นหลักสําคัญหลายๆเรื่องเลยนะครับคนที่มีปัญหายังไม่ชา้าเนี่กคสามีคนโทรศัพท์เลขอรับนึนกว่าจะมาฟังธรรมะส่งเสร็จบอกไปแล้วคุยเสร็จแล้วกลับเลยเขาก็คุยเลยไม่ใช่เรื่องของเขาหรอกแต่เป็นเรื่องของไอ้ไอ้ความกดดันที่เกิดขึ้นจากไ อ, คไ อ, คอ้ความไอ้ตัวนี้ครับปรารถนายิ่งย่งขึ้นพอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยแย่ตัวสุขภาพจิตจะไปงันใหญ่ พี่น้องญาติพี่น้องก็มาลุมกันจิบไม่ถูกไม่รู้จะแก้อย่างไงแก้ยากตรงนี้ผมก็บอกว่าตรงนี้มันต้องเริ่มต้นเริ่มต้นในเขาสลัดไอ้สิ่งที่เขาหมายมัน่นในเรื่องที่เขาเล่ามาเนี่ยทิ้งไปก่อนเลยมันจะ อ, ออกหัวออกก้อยเราต้องพร้อมที่จะรับให้หนึกอย่างนี้ถ้าทําใจได้อย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ถ้าทําไม่ได้เนี่ย บางทีจะถึงขั้นโลกาศาสตร์รุนแรงไปเลยนี่เป็นเป็นผู้หญิงก็เหนืออายุสี่สิบกว่าข้อถัดไปไม่สั่งสมคือกินแบบไม่สั่งสมคำว่ากินแบบไม่สั่งสมเนี่ยแปลว่าเราต้องมีพูดถึงอย่างปฏิบัติต้องย้ำนะต้องรู้เลยว่าสาระของการฉันของพระ อย่างปฏิบัติอตัวเนี่มาบวชทาไมบวชเอาอะไรไม่ใช่มาบวชเพื่อกินแล้วกินเอากินไปทําไมถ้าเป็นคนชาวโลกนี่เรียกว่ากินสังสมกินเอาอ่ะกินเอากินเอาหมายถึงอะไรเห็นกินเอาความสวยกินเอาหน้ากินเอาที่สารพัดกินเอากระทั่งกินเอากิเลสก็ มีอย่างที่ว่าไปดูโหเห็นแล้วก็หลดใจไอ้ฝรั่งเขามาทําสารคดีไอค้คนนี้เขาดีตะว่าแล้วไอท้ทีเขาทําเขาไม่ว่าเขาไปถ่ายที่ญี่ปุ่นบางทีจีนที่อะไรอย่างเงี้ยนะมาเลยส่งมาเลเซียบ้างโดยเฉพาะคนจีนเข า, าจีนี่ญี่ปุ่นเลยกินพิษดารเปิดพิสดารเห็นพัตคาหนึ่งงูทั้งนั้นสารพัดจะกิน ง, งูอะไรก็ได้แล้วก็ ลูกค้ามาเนี่ยมีเหตุผลประการเดียวเขาไม่ได้กินเพื่อิ่มอ่ะจินเพื่อบำรุงกิเลสแล้วก็ตาภาพก็มีเป็นๆอย่ น, นีนะ้โอ้เห็นแล้วก็ก็ไม่ถ่ายว่าเวลาจะฆ่าตาภาพมันทรมานขนาดไหนคนเดียวเอาไม่อยู่ต้องมีอยู่หัวคนท้ายคนวาดทุเที่แทงแล้วตีแล้วมันก็ไม่ตายง่ายๆตาภาพโอดโทนมาก โอ้ยความมันจะตายเนี่ยเาบันดิ้นกระเถือกกระสนเลือดเนี่ยแดงเถือกไปหมดเลยกินลงไมหมล่ะแต่เขาก็กินกันลงกินหัวสม อ, องลิงอะไรนะมีฮะแต่พยายามสะแกลผมไม่ได้เห็นนะตั้งที่ผมก็เมื่อก่อนนี่เข้าออกพยายามสะแกเนี่ยอาทิตย์ลสองสาครั้งมี ม, มีกิจกรรมมีธุรกิจอะไรอยู่ตอไมนั้นแต่ไม่ไม่เจอเพราะว่าเรามไม่ได้อยู่ในสายกินทิศดาที่เขา ไอช่างที่มาปลูกบ้า น, นเนี่ยเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกเนี่ยเขาเคยไปทํางานที่ที่สยามตะแควไปซ่อมอะไรต่อะไรอย่างนี้นะแล้วเขาก็บอกว่าเอ้เขาทํางานแล้วก็ได้ยินเสียงอะไรประหลาดประหลาดนะเขาก็อุตส่าห์อยากได้หลอดลูกหลอดเห็นปีนึ้นไปดูที่โอ้เห็นแล้วแทบจะตกล ง, งล่างลิงตัวหนึ่งโดนพันธนาการหัวโผล่ขึ้นมาจากแคร์เนี่ยแล้วก็มี บริวารลิงล้อมรอบข้างหน้ามีจานมีอะไรแต่หลายอุปกรณ์เสร็จแล้วก็สักพักก็มีบ่อยมาเอาเอามีดมาแบบเฉาะมะพร้าวอะครับยังไงอย่างนั้นเลยเะบ่ยก็ทําท่าให้ดูตลกกัผมทามํานาเกล็พว่ามันเพมันทําท่าอย่างไงโอ้เห็นแล้วมันสมสมสมเพศเแต่็จแล้วก็พอเปิดเสร็จเนี่ยโอ้ยพวกนั้น โอ้ยงเรืกินน อ, อะไรเสร็จหมดนะเอะไอเขาไหนจะตักนะวัดตักตวงกันมากินใครรู้ไหมฮะพวกข้องโกงอผมพูดแลนะคงไม่เสียกันตุ้นนะเลยเล่าชัดไปหน่อยเขากินกันอย่างนี้เสร็จแล้วพอกินเสร็จแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ลิงนั้นก็ถูกเลื่อนเพราะมันเป็นโต๊ะเพื่อนที่ได้เลื่อนไปสักพักมาเลยคราวนี้เนื้อลิงเข้าหองไปเข้าโรงกลัวแล้วก็ แต่สภาพมาเป็นเนื้อลิงเขาหอมกลุ่นกินด้วยความอร ե ศอร่อยเนี่ยการกินอย่างนี้เนี่ยบางคนก็กินเพียงแค่อยากจะกินว่าอะไรอะไท่านั้นเอนงนะไม่ได้คิดอะไรอย่างอยากจะมีประสบการณ์ทางการกินไม่รู้จะไปเขียนหนังสือหรือจะไปเล่าอะไรปะเป็นพวกนักล่าประสบการณ์เป็นดาวานดาวานไปนิทวานลิ้นอ ก็ก็มันก็เป็นอันหนึ่งซึ่งก็พระก็ไม่ได้เหมือนพระเภทรปราตนาสันหาเลือกการฉันบริโภคของพระเนี่ยให้ั้างความรู้สึกเหมือนพ่อแม่เมื่อกี้นะคือเพื่อข้ามพ้นด่างกันดานเพื่อเป็นเครื่องอนุเค ร, ราะห์พระมรจันอีกอันหนึงคือเป็นเครื่องอนุเค ร, ราะห์พระมรจันไม่เอาอย่างอื่นเอาพระมจรจันเป็นผลมุ่งจากการบริโภคนี้ไม่ใช่โอโอด คือไม่ใช่กินโอ้โอวดหรือโอโอดได้การกินไอมานากิเลตมันเกิดขึ้นกับอารมณ์กับกรณีอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ก็เคย พ, พูดแล้วนะว่ากินโอ้กินอวดเป็นอย่างไรถ้าเป็นกรณีอย่างของพระเนี่ยท่านไม่ให้กินโอวดว่าเออเนี่ยหมายถึงว่าฉันเตร็จแล้วตามมาคุณ พันตาหารมื้อเช้าคุณแกงอะไรบินทบาทที่ไหนใครใส่อะไรอย่างนี้นะโอคุณสู้อาตมาไม่ได้สู้ผมไม่ได้ผมอาหารอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ขอโทษนะไม่ใช่นานปีดีหนนะเกือบทุกวันเลยล่ละคุณ <c ười> <c ười> คุยคุย <c ười> ทับพระอีกองคหนึ่งเนี่ยกินโออวด <c ười> เป็นพ่อแม่บริโภคเนื้อบุตรนั้นตรงนี้ไม่มี และนอกจากไม่อวดแล้วยังอย า, ากจะไปหลบกินด้วยครับกินเสร็จแล้วพ้นทางานะคใครมาถามไม่อยากเล่าให้ฟังเลยครับไม่อยากนึกถึงเลยครับไม่อยากให้ใครรู้ก้าไม่ใช่กินด้วยอ่ะการดูหมิน่นคือไม่ใช่กินดูหมิน่นกินดูหมินนะ่นเนยหมายถึงดูหมิน่นอ อ, อาหารหนึ่ง ดูหมินคนถวายอาหารหนึ่งนะเขาเรียกว่าประเภทกินดูหมินดูหมินเพราะการกินเพราะบินบาบเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเอาเป็นว่าเราไม่ต้องพูดถึงปลาว่าบางคนเนี่ยเขาบอกเลยนะฮะว่เชิญเข้ามาทําไมพามาเลี้ยงที่นี่แล้วบอกอย่างงี้เขาเขาโกรธเลยเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีครัก็เลยพนัน โมโหโกรธาไอตรงนี้ก็อาหารด้วยแล้วก็คนด้วยก็คือคนถือสักถือสีนี่มันก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมันแบบเดียวกับที่ผมเคยเห็นมาในสมัยก่อนพวกนักวิชาการที่ไปนะแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไปในมือพังทีก็โดก็เขาบอกน้องเนี่ยคนนี้เขาโกรธแล้วให้เขามาพักโรงแรมนี้นะนี่ไม่ใช่เรื่องกินเรื่องอยู่มาพักโรงแรมนี้ด้วย ไอความรู้สึกว่าอตัวเองมีความสําคัญและได้รับการดูแลให้ความสําคัญมาอย่างดีตลอดแล้วทําไมมาที่นี่ถึงเป็นอย่างนี้ท่า น, นก็บอกว่าหนึ่งเนี่ยดูหมิ่นของกินดูหมินของก็ดูหมิ่นคนให้สําหรับข้อนี้นะ่ะซึ่งตรงนี้เ่ท่านสอนพระจริงแต่ ว, ว่าเราเองเอามาใช้ได้อย่างที่เราพูดว่าค่าน้ําใจขอให้มันพูดจริงๆนะนะ ว่าอะไรสักนิดเนี่ยโหมันมันมันขอบคุณอย่างมากของนี้ของหน่อยนี่นะหรือคนที่เขาให้ว่าเออเนี่ยเขาอย่างนี้เคิดอย่างนี้เออเขาเอดอยากยากจนอย่างนี้ยังกรุณาหรือยังอุตสาห์เจียดมามาแบ่งปันให้เราอย่างเนี้ยเมื่อคิดอย่างนี้มันก็กลายเป็นความรู้สึกในทางดีๆมันควรจะคิดอย่างนี้จะมากกว่าแต่ว่าคนที่ไม่คิดอย่างนี้เขาก็หาเรื่องคิดออกนอกทางไปได้เหมือนกัน ข้อสิทคือไม่ดูหมิ่นกันและกันคําว่ากันและกันเนี่ยหมายถึงถ้าเป็นพระเดียวกันที่เรียกกันและกันหรือคนร่วมโตหรือไม่ร่วมโตแต่ว่าเมื่อพูดถึงการกินแล้วมาดูหมิ่นกันและกันตรงนี้ท่านหมายถึงมันไม่ใช่อดนะดูหมิ่นหมายถึงมันก็คือมานาเหมือนกันแต่ดูหมิน่นคือว่าเช่นดูหมิ่นว่า คนไม่มีศีลอย่างคุณนะใครก็จะถวายของดีๆเขาก็มาถวายผมหมดอะไรน่ะหรือถวายคนมีศีลมาแต่ดี น, นี่เรื่อเราดูหมิ่นกันแล้วกันจะเอารูปมาดูหมิน่นเอาเสียงมาดูหมิน่นเอาศีลมาดูหมิน่นเอาทำมาดูหมิ่นก็ตามไม่ควรดูหมิ่นกันแล้วกันถ้าเราอยู่วัดเดียวกันหรือว่าทํางานได้กันเนี้เอาก็ถ้าเป็นอย่างเรายกตัวอย่างอกรนี้ทํางานก็บางคนเนี่ยเขาก็อาจจะเออเขาโชค ดีสู้เราไม่ได้เขาไม่ได้เลื่อนเราได้เลื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะหรือในหมู่มืนก็ตามเถอะของเราเรื่องธรรมัมมากิตเนี่ยก็จะจะเกิดความรู้สึกเข้าใจไม่ดูหมิ่นคนอื่นเพราะสิ่งเหล่านีุ้างคนนะพอได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งเนี่ยการปีกล่วงหน้าเลยอย่างที่พวกเราปลาลบสู่กันฟัง ใ น, ในขนาดนี้เนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนี้ด้วยเช่นเดียวกันถึงคนที่เขาประนีประนอมก็ถึงบอกว่าเออเราอย่ามาทะเลาะกันเลยอย่ามาดูหมิ่นกันเลยเราก็แท็กซี่เดีวยวกันแล้วก็เช้าหน้าด้วยกันอะไรอย่างนี้ยก็พูดไปลักษณะอย่างนั้นไปเอวันนี้น่ะเราคงจะอาต่อ้อีกหน่อยก็แล้วกันให้จบเรื่องอาหารไปซะเลยนะครับขอเวลาอีกสักไม่เกินสิบนาทีในหน้าสอง ท, ที่กล่าวว่าผู้กําหนดรู้ก ว, ว่าลิงการาหารย่อมกําหนดรู้เบญจา ก, การมคุณเนี่ยแต่ว่าเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นอย่างไรคือว่าเขาได้บริโภคเนื้อบุตรที่เป็นอาหารเพื่อความขนองหรือพวกความมัวเมาหรือพวกความตกแต่งหรือพวกความเป็นเครื่องประดับใช่ไหมพิสุรานั้นกราบทูลว่าหามิได้พระเจ้าค่ะจึงได้ตรัสว่าถ้าเช่นนั้นพวกเขา พาการรับประทานเนื้อบุรเป็นอาหารเพียงเพื่อข้ามพ้นทางกันดานใช่ไหมใช่พระเจ้าค่ะพระองค์จึงตรัสว่าข้อนี้ฉันใดเรากล่าวว่าบุคคลควรเห็นกะวะลิงกาอาหานเปลี่ยบเหมือนเนื้อบุรก็ฉันนั้นเหมือนกันแลนี่ก็เป็นการกล่าวยำ้ำทีนี้เมื่อพิจารณาอย่างนี้เนี่ยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมะแค่ความคิดธรรมดา แต่ไม่ใช่ครับท่านตรัสต่อไปว่าเมื่ออริยสาวกกาหนดรู้กับว่าลิงการาหันได้แล้วก็เป็นนันว่ากำหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกรรมคุณเมื่ออริยสาวกกําหนดรู้ความยินดีซึ่งเกิดแต่เบญจกรรมคุณได้แล้วสังโยชน์อันเป็นเครื่องเนิ่นชา้าเครื่องชักนําอริยสาวกให้มาสู่โลกนี้ก็ไม่มีอัอนนี้เป็นการตรัสถึงอ่าไปสุดที่อนาคตนะะ อนาคาที่ละเบญจาการมคุณได้เนี่ยก็เป็นอนาคาและไม่กลับมาที่นี้อีกที่นี้ที่จะพูดในส่วนน่าจะสังเกตพิเศษและเป็นความชัดเจนของสูตรนี้จากสูตรนี้ก็คือว่าการที่บุคคลยินดีในอาหารเนี่ยเราก็นึกว่ามันแค่กิน แต่ไม่ใช่ถ้าท่านบอกว่าอาหารเป็นที่รวมของเบญจการมาคุณเป็นสิ่งเดียวที่เป็นที่รวมเบญจการมคุณมากที่สุดเพราะอะไรเพราะคนยินดีในติดในเรื่องของการกินให้ความสำคัญในเรื่องการกินมากเท่าไหร่คนนั้นจะมีลักษณะติดเบญจการมคุณมากกว่านั้นท่านก็อธิบายอย่ะเพราะอาหารที่เรากินอาหารเนี่ยมันไม่ใช่แค่มุ่งที่รสอย่างเดียวจริงไหญิง มันมีรูปด้วยมีเสียงมีกลิ่นมีสัมผัสอ้าวทีนี้ก็ทาก่ า, า, า, น า, ออทานก็ว่าเราก็เดาก่อนว่าคืออะไรท่านก็ว่าเนี่ยอย่างรูปเนี่ยมันก็มีทั้งรูปอาหารและรูปที่เกี่ยวข้องรูปของพาชนะรูปของคนบริการรูปของสถานที่ใช่ไหมคือถ้าหากว่าเมาหนักซรือจะกินเนี่ยต้องมีคนมาเต้นในดู ถึงจกินลงอะไรเงี้ยต้องมีลูกต้องมีคนมาป้อนคนป้อนก็ต้องอย่างโน้อย่างนี้ให้คุณป้ามาป้อนก็ไม่ยอมให้เด็กมาป้อนก็กินไม่ลงเองมันมันเกี่ยวติดมากเกี่ยวมากแล้วก็ไอ้คนที่ติดอันอื่นมันก็โน้องเข้ามาหาทนที่ว่าพระจะไปเบญทบาทเนี่ยถ้าอาหารใดคนใส่ขี้เห ล, ละพระองค์นั้นฉันไม่ลงองค์ที่ที่ไม่ถูกนะที่ฉันว่าฉันไม่ลง เช่นว่าบางท่านก็อาจจะผิวคล้าดําขี้เหลวอา่านรอยมาอร่อยโดยมก็จริ ง, ง น, น, นะมันก็น่าเห็นใจะเพราะว่าเออเราก็มันนึกนเออคือมันเข้าเข่าเหมือนกันนะเนียเวลาที่เราไปรับไปสมมติไปทานอาหารทานแล้วคนเสิร์ฟเนี่ยเกิอดอายุสะกเก้าสิบนี่ยนะฟันฟางก็ไม่มีเดินก็แทบจะไม่ไหวบางทีบางคนแหมแค่มานั่งรวมโต๊ะยังหมดอร่อยไปเลยเนี่ยพวกติดบางคนก็ว่างันนะ่ะ มันถ้ากินด้วยกุศลจละิจแล้วมันก็ไม่มีอย่างนี้อาจจะพูดมาไปก็แต่จะเจือนใจบางคนเขาเลยต้องหยุดแค่นี้จะยกต่อไปก็ไม่ดีเสียงก็เหมือนกันอันนี้ก็เห็นชัดเสียงเคี้ยวเสียงซดเสียงกระทั่งเสียงโขกเสียงต่ําเสียงหั่นอะไรอย่างนีมันมันมีส่วนปรุงแต่งหมดแล้วก็เสียงเสริมอื่นๆเสียงเสริมคือเสียงร้องเพลงอย่างนี้คือเสียงร้องเพลง <c oughs> เคยสงสัยนั้ว่าเอ๊ะมันจะกินลงได้ยังไงเนะี่ยไปอยู่อย่างนั้นเลยนะไปกินท่ามกลางไอ้เบญจากรารมาคุณครบนั่กินลงได้งไงเราก็นึกอย่างนี้แต่เขาบอกไม่ทำไมอย่างนี้เรากินไม่ลงสิเดี๋ยวนี้สวนอาหารต้องมีทําเลไกลมนน้าบ้างไกลอะไรแต่ไรบ้างมีทําเลไม่ทําเลไม่จริงก็ต้องสร้างเอาผ้าฝ้า ผ, าผานังอะไรแต่ไรมาใสา่เอาวีดีโอเอาอะไรแต่ไรมาฉายให้ดูกันท่านลองคิดดูสิ ถ้าเป็นรูปอย่างอื่นเนี่ยเมื่อที่อันอื่นไม่เกี่ยวอะไรแต่ตัวนี้มันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดเลยคนที่ควบคุมเรื่องกิเลสเรื่องการกินได้ควบคนนั้นมีพลังควบคุมกิเลสเบี่ยงแต่กรรมกุญแจท่านว่าแล้วคนที่ติดเรื่องนี้มาเลยมันขยายไปเป็นเรื่องอื่นได้ด้วยท่านว่านะขยายไปเรื่องอื่นได้ด้วยอย่างพวกนี้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ได้หมดเลยขยายไปยังไงเออ การกำหนดรู้คือทำอย่างไรในเบื้องต้นที่ท่านพูดมาแต่แรกว่าให้ตั้งสัญญาอย่างนี้นะอย่างที่ว่าแต่ว่าตัวนี้นะกินลึกเข้าไปถึงขั้นวิปัสสนากรรมฐานคือกำหนดรู้กับว่ารินการาหานทางประสาท์ขณะที่บริโภคเนี่ยนะฮะแหมผมก็เสียดายครับมันมีกำหนดรู้อย่างเอกาปริญาสัพพะปริญยามูลปริญญ า, พพญญ า, ญญาท่านว่าไว้เป็นอันัเนี่นะก็ พูดไปก็คงจะยาวหน่อยก็ขอจบก็แค่นี้ก็แล้วกันตรงนี้เอาไว้หาช่องต่อเติมไายหลังสูวรนี้ยังไม่จบ